สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเยซูตอนที่สองศูนย์หกสองร้อยหกนะครับเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่หกเหนือความพิการพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่เก้ามัทธิวบทที่เก้าข้อที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่สามสิบสี่โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคั้นพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอดสองคนตามพระองค์มา ร้องว่าบุดดาวิดเจ้าค่ะขอเมตตาข้าพระองค์เถิดแล่เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิจตฤตจะกระทำการนี้ได้เขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ทรงถูกต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด แล้วในตาของเขาก็กลับเห็นดีพระเยซูได้ทรงกำชับเขาแข็งแรงว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดให้รู้เลยแต่เมื่อเขาไปอย่าง่นั่นแล้วก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นข้อสามสิบสองขณะเมื่อพระเยซูและสารุษฐิตกำลังฉดิดดิออกไปจากที่นั่นก็มีผู้คนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็ผูดได้ หมู่คนก็อศัศจรรย์ใจพูดว่าไม่เคยเห็นมีคนเช่นนี้เนี่ยอิสราเอลเลยแต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกด้วยริดของนายผีผี่นะครับพระเยซูส่งรักษาคนตาบอดครับมีคนตาบอดสองคนติดตามพระเยซูมาทั้งสองคนก็ร้องทูลพระเยซูขอการรักษาที่มาจากพระเยซูเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเยซูไม่ได้รักษาเขาทันทีครับ เขาตามพระเยซูเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเนื่องจากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสยาที่พระเจ้าทรงเกลื่อไว้ทรงบังเกิดอยู่ในวงวานของกษัตริย์ดาวิดครับเขาจึงเรียกพระเยซู ว, ว่าเยซูบุตรดาวิดนะครับคําว่าบุตรนั้นนะครับไม่ได้หมายความถึงว่าเป็นลูกโดยตรงของดาวิดนะครับเพราะลูกโดยตรงของดาวิดก็จะมีกษัตริย์โซลมอนมีหลายเล็นคนที่เป็นลูกของดาวิดแต่พระเยซูเป็นบุตรของดาวิดในแง่ที่ว่า คำว่าบุตรนั้นแปลว่าอยู่ในเชื้อสายอยู่ในวงวานหรืออาจจะแปลว่ามาจากนะครับมาจากก็คือว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มาจากนะครับเทือกเขาเหล่ากอหรือวงวานของดาวิดนั่นเองที น, นี้เราจะเข้าใจนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าบอกว่าใครเป็นบุตรของใครนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกนะครับเป็นลูกในความหมายนี้นะครับในความหมายของคาว่าเป็นลูกนั้นก็คืออาจจะแปลว่า มาจากก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นปูเป็นทวดเป็นชวดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่สามารถที่จะถอยกลับไปการที่จะอ้างอิงถึงใครคนใด ค, คนหนึ่งแสดงว่าคนคนนั้นนั้นเป็นคนที่มีนัยยะสําคัญมากครับพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในคําพยากรณ์ว่าพระเยซูนั้นเป็นเชื้อสายเป็นวงวานของดาวิดจะเป็นพระเมสสิยาหครับผู้เผยพระชนะได้ประกาศไว้ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาว่าองค์พระผู้ช่วยรอด น, นั้นจะมาบังเกิด และจะเป็นบุตรหลานนะครับก็คืออยู่ในวงวานของกษัตริย์ดาวิดนั่นเองและเขาทั้งสองคนนะครับก็คือคนตาบอดทั้งคู่นี้อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับทูตสวรรค์ในแคว้นเบตเลยเฮมที่ประกาศก็อย่า ก, กลัวเลยอย่า ก, กลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายันทั้งหลายคือความปรีดียิ่งที่มาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคิดเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดแสดงว่า บามันเกิดที่เมืองดาวิดก็หมายความถึงเป็นวงวานของดาวิดนั่นเองเป็นบุตรของดาวิดก็เช่นเดียวกันครับเป็นวงวานของดาวิดนั่นเองพระเยซูก็เสด็จเข้าไปเรือนครับเข้าร้องสองคนก็ตามพระองค์ไปสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าพระเยซูไม่ได้รักษาเขาระหว่างทางนะครับเขาไม่ได้หายโดยการแตะต้องฉลองพระโอษฐ์แสดงว่าคนที่รับการรักษาจากพระเยซูนั้นอาจจะมีหลายอย่างหลายแบบหลายวิธีครับ เขาต้องใช้ความเชื่อผสมควรคนตาบอดส อ, สองคนนี้ก็ต้องตามพระเยซูเข้าไปอยู่ในเรือนเรือนนี้นะครับอาจจะเป็นบ้านของเปโตรก็ได้เพราะจริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้มีบ้านของตัวเองครับพระเยซูได้พักกับเปโตรพักตามสถานที่ต่างๆที่พระองค์ได้ผ่านไปเพื่อที่จะทําราชกิจของพระองค์ในที่สุดแล้วนะครับพระมปีบันทึกว่าพระเยซูตรัสกับคนทั้งสองว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิจะกระทําการนี้ได้พี่น้องครับ การที่จะรับสิ่งอัศจรรย์นะครับรับฤทธิดเดชรับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องอัศจรรย์มหัศจรรย์จากพระเจ้าจะต้องใช้ความเชื่อครับแต่ว่ามีวิธีหลายๆวิธีที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราเพราะฉะนั้นอย่าให้เรายึดติดกับวิธีการว่าจะต้องเป็นวิธีการนี้วิธีการนั้นครับแต่เมื่อเราทูลขอด้วยความเชื่อเราเชื่อว่ามีวันเวลาที่ดีที่สุดมีวาระที่เหมาะสมในการที่เราจะได้ และปริมาณที่ถูกต้องเพียงพอที่เราจะได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับคุณภาพของพระเยซูนะครับหรือว่าคุณภาพของของประธานหรือว่าการตอบคอําอนิสฐานที่มาถึงชีวิตของพวกเรานั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพสูงสุดเพราะว่าพระองค์งันทรงประทานชีวิตที่ครบบริวุ์ให้ผูดในอีกในหนึ่งก็คือว่าคุณภาพของสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเป็นคุณภาพชนิดทับแก้วทีเดียวพี่น้องครับเมื่อคนทั้งสองทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะ พระเยซูก็ถูกต้องในตาเขาตัดว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดนะครับให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดในข้อที่ยี่สบเก้าสาสิบครับบันทึกว่าในตาของเขาทั้งสองนั้นก็กลับเห็นดีตรงตัดกำชัดเขาอย่างเข้มงวดว่าอย่าบอกเรื่องนี้แก่ผู้ใดแต่ทั้งสองคนนี้ก็ไม่รักษาสัญญาไม่ได้เชื่อฝังพระเยซูครับการที่พระเยซู ร, รักษาเขานะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาได้รับความรักความ พระคุณของพระเจ้านะครับความออรอดที่มาจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับเขาดำเนินชีวิตต่อด้วยการเป่าประกาศซึ่งไม่ถือว่าเป็นการเชื่อฟังพระเยซูเพราะพระเยซูกําชับพี่น้องครับหลายหลายครั้งทีเดียวนะครับเราได้ใช้นะครับเราได้ใช้พระคุณของพระเจ้าเหมือนอย่างคนตาบอดสองคนนี้คือได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วแต่เราใช้พระคุณของพระเจ้าไม่เป็นครับไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างสุดๆดนะครับ บางคนเชื่อฟังพระเยซูครึ่งเดียวบางคนเชื่อพระเยซูยี่สิบห้าเปอร์เซ็นบ้างหนึ่งในสี่ครับไม่เราเราไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างสุดสดนี่คือปัญหาของเรานี่คืออุปสรรคของเราที่เราไม่ได้รับพระพอรอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันเราทําให้พระเยซนะูนั้นตกอยู่ในที่นั่งลําบากนะครับพี่น้องครับเราอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการโดยชีวิตที่ไม่เชื่อฟังเรานั้นทําตัวเองให้ตกต่ํานะครับทําคิดจักให้ตกต่ํา ทำชุมชนของเราตกต่ําโดยชีวิตที่อาจจะหวังดีแต่ไม่เชื่อฟังนี่คือบทเรียนในเช้าวันนี้นะครับบทเรียนต่อไปก็คือการรักษาคนใบ้ของพระเยซูหลังจากที่คนตาบอดได้รับการรักษาและจากไปแล้วก็มีผู้นําคนใบ้มาหาพระเยซูคนใบ้คนนี้นะครับมีอาการใบ้เพราะว่าเกิดจากผีที่เข้ามาสิงพระเยซูก็ทรงขับไล่ผีนั้นออกไปเขาก็พูดได้ครับเราจะเห็นนะครับว่านี่คือสิ่งที่ มันเชื่อมต่อกันหรือมันพ่วงกันภาษาอังกฤษเรียกว่ามันลิงก์กันครับก็คือว่าหลายคนเนี่ยที่ถูกครอบครองด้วยผีครอบครองด้วยวิญญาณชั่วในชีวิตของเขานะครับผูกมัดเขาตลอดมาจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะมีพัฒนาการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตยอย่างสมบูรณ์ได้ก็คือชายคนนี้นั้นคือเป็นใบครับมันออกมาจากร่างกายโดยความผิดปกติฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับมันเชื่อมโยงกันครับ ภาษาทางจิตเวทเรียกว่าไซโคโซมาติกนะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาของศาสนศาสตร์ก็แล้วก็จะต้องเรียกว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างสปิริตก็คือวิญญาณกับโซมาติกก็คือร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงตรงนี้ว่าพอขับผีแล้วนะครับอาการต่างๆทางร่างกายก็หายไปพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราจะมองข้ามไปในเรื่องนี้ แตเพราะว่าเจ้าพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงขับผีออกนะครับโดยความอะไรครับโดยความเป็นพระเจ้าของพระเยซูในขณะเดียการครับอาการต่างๆที่มันเกิดจากผีเข้าสิงหรือผีเข้าครอบครองนั้นหายไปนะครับแต่พี่น้องครับน่าเสียดายเสียใจมากเป็นที่เศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้นําศาสนากลับคิดเห็นเป็นอย่างหนึ่งพวกเขากล่าวว่าพระเยซู ขับผีออกโดยอาศัยความช่วยเหลือของนายผีหรือเจ้าแห่งผีนั่นก็คือซาตานนะครับนี่เป็นการหมิ่นประมาทพระเยซูอย่างที่สุดครับเพราะว่ากล่าวหาว่าพระเยซูนั้นคือได้ฤทธิอำนาจมาจากซาตานโอ้เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากและน่าประนามมากครับพี่น้องครับพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือความตายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย พี่น้องครับอย่าให้ใครนะครับที่เราจะทำให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติของพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมอยากจะจบในวันนี้ด้วยพระกัมปีมอบให้กับทุกท่านสี่ข้อด้วยกันครับเพิ่มผีข้อนี้ใช้ในยามที่เราเผชิญกับความตายหรือความเจ็บแค่ได้ป่วยนะครับตอนแรกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเอดข้อที่ยี่สิบห้าถึงข้อยี่หกครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยพระคัมภี์ข้อที่สองนะครับมัตติบทที่สิบอ็ดข้อที่ยีิบแปดจนถึงข้อที่สามสิบมัตติวสิบเอ็ดข้อยี่สิบแปดถึงสสิบบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเขาแอบของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจทั้งหลายจะได้เบาแรงด้วยว่าแอลของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาตอนที่สามครับหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่หกหึงข้อทีเจ็ดหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่หกหนึ่งข้อที่เจ็ดในความรอดนั้นทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริญยิ่งกว่าทองคาซึ่งแม้เสียไปได้ ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรนเสริญเกิดศักดิ์สีและเกียรติในเวลาที่พระเยซุคริตจะเสด็จมาปรากฏพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายครับตอนที่ 4, สี่สรุปดีบทที่ห้าสิบหกข้อสีครับในพระเจ้าผู้ที่ฆ่าพระองค์สันเสริญพระเจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทําอะไรแก่ข่าพระองค์ได้เพียงครับ เพราะเจตนะที่ประทับใจผมอยู่ในประโยคสุดท้ายครับเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพงศ์ได้เนื้อหนังจะกระทาอะไรแก่ข้าพงศ์ได้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน